บุกทูยี่สิบสี่นอเซอเอคาตรการนัดหมายทิมทิมคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับทริคออทตบูซทริคออทตบูซิ ผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับเกออรปริทุนยูจูสมาออร์รอรคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับสเกตเลูลาร์มเเวครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับรเฮรนทีเตอร์ค o r r e t เรัเตร ยี o r r e c t ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับ Heron t h e t r มซี่ Heron h e a t e r ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ Heron t h e t r เ h t e r h e r n t h e a e r มือ h t e มต พรุ <ame cooker. S 3> s, ่งน <mo> wow mm ี้ผมหยุดครับเนสเซอร์มพูชิมเนเซอร์คำพูชิมพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับอาตุตตะโคเฮมิเนเซอร์อาตุตตะโคเฮมิเนเซอร์ม่เป็นไรเนเซอร์สมุดเดมไม่เป็นไร สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรื อ, อยังครับอาเหรือว่าคุณมีนัดแล้วครับอาโปเก ผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์โะเวบโปรโพซิทต์ตะโกมีน้อนเราไปปิกนิกกันดีไหมครับอาสกโอย์เพอร์ i ิกนิกอาสกโอยม์มาเเราไปชายหาดกันดีไหมครับอ อาสกอิมเ ë plus เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ a าสกอิมเนมัลอาสกอิมเนมัลผมจะไปรับคุณที่ทำงานพวีเตตมารเน o v i พวีเตตม r në น y r อผมจะไปรับคุณที่บ้าน พูดีท t ต m a r มาร์นูสต์เตปีพูดีทัตตาหมาร์นั้นสต์เ ë ปีผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารพ o ดีทัตตา a มาร์เตสตัชชูน i อตบูสิทตมาร์ตออต